<c oughs> จเรนพรสัทธ า, าติยงผู้ใจบุญใจบุญสนทุกทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนเก้าตรงกับวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าวันนี้เป็นวันที่มีญาติโยมมา มากกว่าปกติเนื่องจากว่าเป็นวันพระและเป็นวันหยุดราชการคือเป็นวันเสาร์จึงมีศรัทธาญาติอยู่สองกลุ่มด้วยกันที่จะมาวัดเป็นประจำกลุ่มหนึ่งก็จะมาวันพระอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาวันหยุดราชการคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดังนั้นถ้าวันพระไปตรงกับวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ก็จะมีศรัทธาญาติโยมมาทาบุญกันมากกว่าปกติดังที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะมาวันพระ ก, ะก็ดีหรือมาวันหยุดราชการก็ดีสิ่งที่ดึงดูดหรือสิ่งที่ผลักดันให้ท่านมาสู่วัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดี ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมก็คือศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอาหารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง นี่คือความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงสอนที่เหตุและที่ผลคือเหตุก็คือการกระทําผลก็คือความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียร้วนเกิดขึ้นจากการกระทําของเราแต่ละคน การกระทําทางกายทางวาจาและทางใจถ้าทําดีผลก็ดีคือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าทําบาปทํากรรมทําความชั่วผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะตามมานี่คือความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพพุทธเจา้าและเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่ได้ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกระทำแต่ความดีละการกระทำบาปทั้งปวงชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง <c oughs> ก็ได้บรรลุธรรมเป็นผู้ที่สิ้นกิเลส <c oughs> เหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะสามารถสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับผู้อื่นได้ต่อไป นี่ก็คือความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อที่ทำให้เรามาที่วัดกันประกอบคุณงามความดีกันละการกระทำความเชื่อกันและชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดเพราะเราเชื่อว่าการกระทำของเราเท่านั้นที่จะทำให้เราดีได้ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงสาวุกดีท่านก็ปฏิบัติมาอยดังนี้ท่านเป็นแบบฉบับของเราท่านเป็นผู้ที่นําสิ่งที่ดีที่งามที่ท่านได้ประสบพบเห็นแล้วมาบอกมาสอนพวกเราแต่ท่านไม่สามารถที่จะเสกจะเป่าจะทําให้เราดีได้โดยที่เรานั่งฟังพระธรรมคําสอนเฉยๆแล้วเราจะกลายเป็นผู้ที่ดีขึ้นมาได้ เราต้องน้อมจิตน้อมใจของเราให้ดีไปด้วยถึงจะกลายเป็นคนดีได้ถึงจะถึงจะเจริญถึงจะมีความสุขได้แต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่เราไม่เปลี่ยนใจของเราใจของเราก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีความอยากต่างๆอยู่ยังประพฤติตนเองใน ในในสิ่งที่ไม่ดีเช่นยังติดสุรายามเมาติดการเสพเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายเล่นการพานันชอบเที่ยวเตยามค่ำคืนชอบความเกลียดคร้านและชอบคนชอบคบคนชั่วเป็นมิตรถ้าพฤติกรรมเหล่านี้เราไม่เปลี่ยนแปลงต่อให้พระพุทธเจ้ามานั่งเสกเราอาบน้ำมนต์ให้เราทุกเช้าทุกเย็น เราก็จะไม่เป็นคนที่จะเจริญที่จะมีความสุขได้เพราะความสุขและความเจริญนั้นเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำทางใจคือความคิดของเรานี่แหละเป็นต้นเหตุของการกระทำทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการกระทำบาป ก, ก็ดี หรือการกระทำบุญก็ดีล้วนเกิดจากความคิดของเราเป็นผู้เริ่มต้นอย่างวันนี้เรามาที่วัดกันได้ก็เพราะว่าความคิดของเราเกิดขึ้นมาในจิตของเราว่าจะมาวัดมาทำบุญกันเมื่อมีความคิดแล้วก็มีการสั่งการไปสู่ร่างกายให้มีการเคลื่อนไหวเรียกว่าการกระทำทางกายก็เกิดขึ้น มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตัวเตรียมใจและเมื่อถึงเวลาก็เดินทางมาที่วัดมาทําบุญตัก บ, บาตรมาสมาทานศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี่แหละคือการกระทาที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่แท้จริงผลเป็นผลที่เกิดจากการกระทำเวลาเราต้องการอะไร ขอให้เราคำนึงถึงเหตุเป็นหลักเพราะผลนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะไปยึดไปถือมากนักจนเกินไปเพราะผลนั้นจะต้องเกิดจากเหตุเหตุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง mm hmm. เวลาเราเห็นคนอื่น mm hmm. เขามีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขมีความสุขมีความสบายเราก็อย่าไปแย่งเอาความสุขจากเขามา okay. หรือไปขโมยเขามาหรือไปขอเขามาเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะนามาซึ่งความสุขเราอาจจะได้ถ้าเราไปขอเขาเขาอาจจะสงสารเขาอาจจะให้เรามาบ้างอย่างวันนี้ญาติโยมมาที่วัดนี้ญาติโยมก็เอากับข้าวกับปลาอาหารเขาวานเครื่องใช้ไม้สวยต่างๆมาถวายกับพระพระก็ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ แต่สิ่งเหล่านี้นั้นถ้าจะมานั่งคอยรับจากญาติโยมอย่างเดียวก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้เพราะความเจริญนั้นเกิดจากการกระทำของพระเองถ้าพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็จะมีทำให้มีผู้เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็นำเอาสิ่งของต่างๆมาถวายดังที่ญาติโยมได้มาถวายกันในวันนี้ แต่ถ้าพระเราไม่ปฏิบัติตนดีไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เกิดศรัทธาเลื่อมใสในในจิตใจของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายและเมื่อไม่มีศรัทธาแล้ว <c oughs> เครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆที่ญาติโยมเคยนํามาถวาย <c oughs> ก็จะไม่นํามาถวายต่อไป <c oughs> เพราะสิ่งเหล่านี้นั่นเกิดจากผล มันเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทําของพระท่า น, นั้นเองสังเกตดูถ้าวัดไหนมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ววันนั้นจะมีผู้ที่ไปทําบุญทําทานกันมากวันไหนที่มีพระที่ปฏิบัติเสื่อมเสียไม่แข่งคลัตก่อทำกับวินยัยวันนั้นจะไม่มีใครเข้าไปทําบุญทําทานด้วยเพราะเหตุก็คือการกระทํานั่นเอง เป็นเหตุจูงใจให้สิ่งต่างๆคือผลต่างๆที่ดีที่งามไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือความสุขความสำราญใจความปิติความความอิ่มเอิบใจนั้นมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปขอสิ่งต่างๆเหล่านี่จากผู้อื่นมาอย่างเราไปขอขอความบริสุทธิ์ผุดผ่ดองของจิตใจจากพระพุทธเจ้า จากพระ อ, อริยสงสาวุกขอพอรต่างๆจากท่านสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อได้มาแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราดีให้เราวิเศษได้เพราะเมื่อได้มามันก็เป็นเพียงแต่เอามาใช้ไปวันๆหนึ่งแล้วมันก็หมดไปเมื่อมันหมดไปแล้วเราก็ต้องไปขอเขามาใหม่ต้องขออยู่ร่ำไปถ้าเกิดเขาไม่ให้เรา เราก็จะกลายเป็นคนโอดอยากขาดแคลนไปแต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจถึงหลักของเหตุและผลว่าสิ่งต่างๆที่ดีที่งามผลที่ดีที่งามทั้งหลายนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสร้างเหตุที่ดีขึ้นมาเราแล้วเราก็ทำแล้วเราก็พยายามสร้างสต่เหตุที่ดีมีความวิริยะอุสาหะ พยายามจะทำแต่ความดีพยายามละการกระทาความชั่วทั้งหลายพยายามชำระจิตใจด้วยการลดละกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางลงไปและให้หมดสิ้นไปถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วเราจะกลายเป็นคนที่ดีที่งาม เป็นคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะเป็นเหมือนกับของมีคุณค่าใครๆก็อยากจะให้อยู่ด้วยเพราะเรามีแต่สิ่งที่ดีที่งามนั่นเองอะไรคือสิ่งที่ดีที่งามที่เราควรจะพยายามสะสมสร้างขึ้นมาก็บุญและกุศลนั่นเอง บุญนั้นก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันหลายชนิดด้วยกันสัทธาญาโยมคิดว่าการมาถวายทานทำบุญตักบาตรหรือการสละข้าวของเงินทองให้กับผู้อื่นนั้นเป็นการทำบุญอย่างเดียวอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดเพราะการเสียสละการให้ทานนั้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการทำบุญเปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหาร อาหารก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันไม่ใช่มีแต่เพียงข้าวอย่างเดียวเรามักจะบอกว่าเรากินข้าวกันแต่ความจริงเวลาเรากินกันเราไม่ได้กินแต่ข้าวอย่างเดียวเรามีกับข้าวกับปลามีของเคาาของหวานมีผลไม้มีน้ำอะไรต่างๆอีกลายชนิดด้วยกันถ้าเรากินข้าวอย่างเดียวร่างกายของเราย่อมไม่สามารถเจริญอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ เราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดขาดสารอาหารต่างๆไปร่างกายก็ไม่เจริญและอาจจะชีวิตก็อาจจะไม่อยู่ไปถึงวัยแก่เท่าชะลาได้เช่นเดียวกับการทำบุญก็เช่นกันเวลาเราทำบุญส่วนใหญ่เราคิดว่าเป็นการนำอาหารข้าวกับข้าวกับปลาของขาวของหวานมาถวายพระหรือเสียสละทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาให้เป็นประโยชน์นี่เป็นการทำบุญแต่เป็นเพียงหนึ่งในบุญที่มีอยู่หลายอย่างด้วยกันถ้าเราทำแต่บุญอย่างนี้อย่างเดียวแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะไปสวรรค์ได้เราจะปลอดทนปลอดภัยจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดยิงอยู่คนที่ทำบุญกับคนที่ไม่ทาบุญนั้นย่อก มีอานิสงส์ต่างๆคนที่ได้ทําบุญนั้นย่อมได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่ทําบุญเลยเหมือนกับคนที่กินข้าวเปล่ากับคนที่ไม่ได้กินข้าวเลยคนกินข้าวเปล่าย่อมได้รับความอิ่มบ้างดีกว่าคนที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้กินข้าวเลยแต่คนที่กินข้าวเปล่ากับคนที่กินกับข้าวกับปลาด้วยมีของค้าของหวานมีผลไม้มี อะไรต่างๆอีกหลายอย่างขนมต่างๆย่อมคนที่กินของมากๆย่อมมีความอร่อยย่อมมีความอิ่มมีความสุขมากกว่าคนที่กินข้าวอย่างเดียวดังนั้นการทาบุญนั้นจึงไม่ควรจะทำแต่เพียงแต่ให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นควรที่จะทำอย่างอื่นด้วยคือควรจะรักษาศีลควรจะมีความกระตันยูกตเวที ควรจะมีความขยันหมั่นเพียรควรที่จะมีความสัมมาคารวะควรที่จะปฏิบัติธรรมคือไหว้พระสุดมนฝึกนั่งทำสมาธิและเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาคือโปรงอนิจจังทุกของอาาังอนัจจาอนิจจาอันตตาคือให้เห็นว่า สภาวะธรรมต่างๆสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใจของเรานั้นร้อนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปมีการมาและมีการไปเป็นธรรมดาแม้กระทั่งร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีการตายไปในที่สุด แต่ใจผู้รู้เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องไปตกใจเพราะใจกับสภาวะธรรมต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับใจนั้นเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอันกันใจนั้นเป็นของที่ไม่ตายใจเป็นผู้รู้แต่ใจมีความหลงครอบงําอยู่จึงทําให้ใจหลงไปยึดไปติดกับร่างกายไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็เกิดความว้าวุ่นขนุนโม่เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพราะความหลงความไม่รู้นั่นเองจึงทําให้ใจเกิดความวิตกเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าได้ยินได้ฟัง ถาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าและเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าใจนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ได้ตามลําพังโดยที่ไม่ต้องมีอะไรพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วพระพุทธเจ้าได้สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆ ฐานะของท่านยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงละทรงทรงสลับไม่ยึดไม่ติดแม้กระทั่งพระวรากายของพระ อ, องค์เองก็ไม่ทรงไม่ยึดไม่ติดทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามปกติของเขาในโลกนี้เป็นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้า เป็นเหมือนกับบ้านช่องเหมือนกับรถยนต์เป็นสิ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีการสืบต่อสืบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย <c oughs> ก็จะมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะพระพุทธเจ้านี่แหละคือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงระหว่างใจกับสภาวะทั้ ง, งหลายที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วย อย่างชีวิตของเราเราก็มีสองส่วนด้วยกันคือมีใจและร่างกายร่างกายนี้เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีการรวมตัวกันและในที่สุดก็มีการแยกสลายออกจากกันเราจะเห็นได้ในชีวิตของคนเราไม่ว่าเป็นใครจะเป็นหญิงเป็นชายเป็น เป็นคนรวยหรือเป็นคนจนก็เป็นเหมือนกันทั้งสิ้นร่างกายอันนี้ไม่แตกต่างกันเลยเป็นสิ่งที่เกิดมาจากอาหารที่เรารับประทานนั่นแหละถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราจะมีร่างกายนี้ได้อย่างไรเวลาเราเกิดมาแล้วออกมาจากท้อง<ม>ท้องแม่แล้วสิ่งแรกเราก็ต้องสูดลมหายใจนี่ก็ท่านลมแล้วสิ่งต่อไปก็รับประทานนม ก็เป็นธาตุดินธาตุนา้าธาตุไฟะสมกันอยู่ในนั้นพราเมื่อเรากินนมเข้าไปแล้วก็ทำให้ร่างกายนี้มีกำลังวังชามีพลังมีธาตุไฟ้าไปทำให้ร่างกายสามารถเจริญเติบโตได้ mm hmm. เหล่านี้ล้วนมาจากธาตุทั้งสิน้นเป็นสภาวะธรรมและโดยธรรมชาติของธาตุนั้นจะไม่ยวงรวมอยู่ด้วยกันไปตลอด โดยธรรมชาติของธาตุธาตุเขาจะแยกกลับไปสู่ธาตุเดิมอยู่เสมอนั้นเขาย่อมกลับไปสู่น้ำลมย่อมกลับไปสู่ลมไฟย่อมกลับไปสู่ไฟดินย่อมกลับไปสู่ดินเขาจะไม่ผสมกันผสมกันได้ก็ไม่นานแล้วเขาก็จะต้องแยกกันไปนี่เป็นหลักตายตัวเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัรู้เห็นแล้วจึงได้นํามาสั่งสอนพวกเรา ให้พวกเราแยกใจของเราให้ออกจากสภาวะธรรมทั้งหลายอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสภาวะธรรมเพราะเราไปยึดไปติดกับเขาไม่ได้เขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งสภาวะธรรมคือธาตุทั้งหลายให้อยู่กับเราได้ไตลอดนับภาษาอะไรกับธาตของผู้อื่นธาตของเราเองคือร่างกายของเราเองเรายังควบคุมไม่ได้ แล้วเราจะไปควบคุมบังคับร่างกายของผู้อื่นรู้จิตใจของผู้อื่นได้อย่างไรผู้อื่นเขาก็มีเรื่องราวของเขาที่จะต้องเป็นไปเขามีบุญมีกรรมของเขาเขาจเจริญมาอย่างไรเขาก็ต้องไปตามวิถีทางของเขาแต่เมื่อเขามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือเราต้องอย่าไปหลงอย่าไปคิดว่าเขาเป็นของของเรา อย่าไปคิดว่าเราจะควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดแต่เราสามารถใช้ความเมตตามุติตากรุณามุติตาอุเบกขา<ม>กับเขาได้คือให้มีความเมตตาไ ม, ไม่เบียดเบียนเขาไม่กัดแกล้งเขาให้มีความกรุณาถ้าพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป ไม่อิจฉาลิสยาในความจเจริญรุ่รงเรืองในความสุขของเขาถ้าเขาได้ดีได้ดีก็ให้มีมุนิตาคือความยินดีกับความสุขของเขาแต่ถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากประสบกับทุกข์ภัยที่ไม่มีใครจะสามารถแก้ไขได้ช่วยเหลือได้เราก็จะต้องมีอุเบกขาใจของเราก็จะต้องเป็นกลางวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้าย กับเรื่องราวของเขาเพราะนี่เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนหนึ่งและเป็นเรื่องของกรรมอีกส่วนหนึ่งใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือไปตามกำลังของเราถ้าเป็นลูกของเราเราก็ดูลเขาให้ได้การให้ได้รับการอบรมที่ดี พาเขาเข้าวัดพาเขามาเรียนหนังสือให้ส่งเขาให้ได้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อเขาจะได้มีความรู้แล้ว ต, ต่อไปเขาจะได้พึ่งพาตัวเองได้แต่อย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาจะจำเนืกในบุญคุณของเราหรือไม่นั้นมันก็สุดแท้แต่เขาขึ้นอยู่ที่ใจของเขาว่าเป็นใจที่สว่างหรือใจที่มืดบอดถ้าเป็นใจที่มืดบอดก็จะไม่รู้จักคุณของผู้อื่น แต่ถ้าเป็นใจที่สว่างก็จะรู้จักคุณของผู้อื่นหรือถ้าเขาเป็นคนที่ยังไม่ได้รับการอบรมก็ควรที่จะอบรมสั่งสอนเขาให้รู้จักเรื่องของบุญของคุณให้รู้จักเรื่องของความกตัญญูกตวเวที <Yeah. S 1> เมื่อสอนเขาแล้ว <Yeah. S 1> เขารู้แล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ <Yeah. S 1> ก็อย่าไปคิดเสียน้อย อ, อกน้อยใจเศร้าโศกเสียใจถือเสียว่ามันเป็น เป็นบุญเป็นกรรมของเขาและเป็นบุญเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาเจอกับบุคคลแบบนี้อย่างนี้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราได้ยินได้ฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอและเราฝึกผนจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปหวังกับอะไรโดยถือหลักอ ah ัตตาหิอัตโนนาโถวว่าตนเป็นที่พึ่งของตน เราสามารถพึ่งตัวของเราเองไปได้จนกระทั่งถึงวันหมดลมหายใจเลยใจของเรานั้นสามารถพึ่งตัวของตัวเองได้ใจจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าใจฝึกขัดให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วต่อไปเวลาอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวังพึ่งอะไรกับใครเพราะใจสามารถดูแลใจได้ ใจสามารถปกป้องไม่ให้ใจต้องทุกข์ต้องเศร้าโศกเสีสยใจได้เพราะอะไรเพราะทำคำสอนของพทธเจา้านี่แหละที่สอนให้พวกเรามีความขยันหมั่นเพียงให้มีความพึ่งตัวเองให้อย่าไปหวังอะไรจากผู้อื่นทำไปเถิดเราเนี่แหละเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้คนอื่นนั้นเราถ้าเราไปหวังพึ่งกับเขาแล้วชีวิตของเราจะเป็นไปแบบรุ่มๆ่ ม, มนอนดอนๆอน เพราะเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะให้เป็นที่พึ่งของเราได้ไปใต้ไปตลอดบางทีเขาอาจจะตายก่อนไว้ก็ได้อย่างถ้าเราคิดจะหวังพึ่งบิดามารดาของเราไปตลอดชีวิต mm. เกิดวันดีคืนดีเกิดมีอุบัติเหตุ mm. เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเขาเกิดต้องตายไปก่อนเราจะทำอย่างไร mm. แต่ถ้าเราฝึกหัดเป็นเป็นที่พึ่งของเรา ทำหัดทำไรด้วยตัวของเราเองหากินด้วยด้วยลแข้งลาขาของตัวเราเองได้แล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องของผู้อื่นเราไม่ต้องหวังอะไรจากผู้อื่นแม้กระทั่งความสุขเราก็ไม่หวังกับผู้อื่นเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่ไม่หิวไม่อยากไม่ขวนขวาไม่ไม่ขวายควา้าหาสิ่งต่างๆภายนอก สิ่งนี้ทําไม่ยากเลยเพียงแต่เราเข้าใจหลักนี้แล้วพยายามฝืนใจของเราทุกครั้งที่ใจของเราข่อยคว้าอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากภายนอกก็บอกตัวเราว่ามันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นความทุกข์เพราะการข่อยคว้าความความอยากความต้องการนี้มันสร้างความขิวสร้างความกระหายให้เกิดขึ้นถ้าเราละนับดับความขิวความกระหายนี้เสียแล้ว ใจสงบนิ่งแล้วใจก็จะมีความสุขใจก็มีความอิ่มแต่เราต้องต่อสู้เราต้องปฏิบัติเราต้องปฏิบัติธรรมคือต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือไว้ต่อสู้กับความหิวกับความอยากกับความโลภ ก, กับความโกรธกับความหลงทั้งหลายถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเราจะไม่มีเครื่องมือ เหมือนกับเวลาเราเข้าไปในสงครามถ้าเราไม่มีอาวุธยุทธโธปกร์่ว้ต่อสู้กับข้าศึกเราก็จะกลายเป็นเป้าให้เขายิงเราโดยฝ่ายเดียวแต่ถ้าเรามีอาวุธยุทธโภปกรต่างๆเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้และจะชนะได้ถ้าเราสู้แบบไม่ถอยเพราะใจเป็นของไม่ตายหลังนั้นเขาจะไม่สามารถทำลายใจของเราได้ คือศัตรูของใจก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายจะไม่สามารถทำลายใจของเราได้ต่อให้มีอาวุธร้ายแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถทำลายใจได้เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะสามารถทำให้ตายให้สลายให้สูญหายไปได้เพียงแต่ทำให้ใจนี้โง่ได้อยู่ทำให้หลงได้อยู่ แล้วทำให้ใจนี้ทุกข์ได้อยู่แต่เป็นบุญเป็นว่าชนะของพวกเราที่เราได้มาเกิดในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ทรงสอนให้เราหันเข้ามาดูใจของเรามาชำระใจของเราเพราะปัญหาทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราที่ถูกกิเลสตัณหาหลอกให้อยากให้หิวให้โลภให้โกรธนั่นเอง ถ้าใจเข้าใจหลักนี้แล้วแล้วพยายามเอาทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้มาทำลายล้างกิเลสตัณหาไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนมีความอดกลั้นมีการสู้แบบไม่ถอยแล้วเราไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ท่านได้ชนะมาแล้วท่านเป็นผู้ชนะกิเลสชนะตัณหาที่มีอยู่ในใจของท่าน <c oughs> เมื่อชนะแล้วเมื่อกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจของท่านก็เป็นใจที่สงบเย็นสบายเป็นใจที่มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอนี่เป็นความจริงที่พวกเราทั้งหลายจะต้องพิสูจน์กันไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ให้กับเราได้ เราต้องเ ป, เป็นผู้ที่พิสูจน์เองเหมือนกับอาหารที่เขาทำมาแล้วตั้งไว้อยู่ที่ข้างหน้าโ๊ะเราแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอาหารนี้รสดีขนาดไหนเลิศขนาดไหนวิเศษขนาดไหนถ้านั่งดูเฉยๆไปจนวันตายเราก็จะไม่รู้จักรสของอาหารนี้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราตักเข้าไปในปากรับประทานเราก็จะรู้ทันทีเลยว่า รสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างไรธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราประพฤติปฏิบัติกันก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่แท้จริงเป็นเหตุที่จะนำที่จะทละที่จะทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายภัยคิดภัยทั้งหลายคือความทุกข์ใจนั้นก็จะ ก, ก็จะถูกทาลายไปได้หม ด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยยึดหลักอัตตาหิตอัตโนนาโถไม่มีใครทำให้เราได้ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้เราเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ทำได้และถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นสุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราไม่ ม, มีเราจะไม่มีโอกาสที่ได้ประสบกับความสุขความเจริญ ทั้งหลายแต่ถ้าเรามีศรัทธาอย่างที่ท่านทั้งหลายมีกันในวันนี้มาทำบุญกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลกันก็น mm hmm. ข, ขอให้เพิ่มศรัทธาให้มีมากขึ้นให้ทำบุญให้มากขึ้น mm hmm. คือนอกจากการให้ทานแล้วก็ mm hmm. ข, ขอให้สมาทานศีล mm hmm. ให้ปฏิบัติธรรมกัน mm hmm. ให้มีความขยันที่จะทำแต่สิ่งที่ดีที่งาม mm hmm. ให้มีความขยันที่จะละละ ความชั่วความไม่ดีทั้งหลายให้มีความขยันในการชาระในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้าเราทำได้ได้แล้วเรามันจะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งหาความสุขจากที่ไหนไม่ต้องไปขอความสุขจากใครเพราะความสุขนั้นมันจะปรากฏขึ้นมาในใจที่สะอาดบริสุทธิ์ในใจที่ได้ชนะ กิเลสตัณหาทั้งหลายแล้วนั่นเองจึงขอฝากเรื่องราวของ